สันติบาลังสุขขังซึ่งแปลความว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเ้วจะมีสุขอันใดก็ตามมีข้าวมีของมีเงินมีทองมีสามีสวยรูปหลอมีเมียสวยก็ก็มีความสุขเหมือนกันแต่สุขมันก็คนละขั้นตอนเพราะฉะนั้นสุขที่มันสงบมองหาตรงไหนทีนี้ถ้ามองอย่างในหลวงเรานี่พ้นสงบ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 คือจะเอาโทษเข้าหาตัวเองเอาโทษเข้าสู่ชีวิตนิสัยเรานี่เห็นด้ชาติชัดหลักศาสนาสอนไว้ละเอียดมากเลยนะเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสน า, าทุกองค์ก็เทศอย่างนี้อยู่แล้วเมื่อพบเมื่อเห็นแล้วพ้นสอนให้เข้าใจแล้วลนะถ้าเราเข้าใจในมมนี้แบบนี้แล้วมันก็เรียกว่าสันติพลังสุ ข, ขังมีความสุข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 เ, เห็นแล้วก็ดีใจเออบื่มใจนี่คือเขาลักกันแท้เขาให้สมบัติกันแท้ถ้าลูกเกิดมากี่ชาติก็จะมาเป็นครูเป็นนักบาตเป็นผู้ฉลาดาได้เงินเดือนมาก็มาแบ่งปันพ่อแม่ใช้พ่อแม่ก็แบ่งปันลูกใช้เห็นไหมนี่คือผู้ที่ถือฐานะมาเกิดถือคุณความดีมาเกิด อไม่ใช่ดาชา่าเช้าด่าเย็นไม่ใช่ว่าไปติดยาบ้าเพราะข่าของมันมันไม่มีมีแต่โทษของมันเเพราะฉะนั้นสันติเนี่ยเป็นเรื่องวิเศษจริงๆนั่นแหล ะ, ะเพราะฉะนั้นทุกคนทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ก็ต้องการเอความสุขความร่มเย็นอความเป็นอสันติสุขก็ปฏิบัติง่ายง่ายเองถ้าอ่าตรงไหนมันไม่เหมาะมันไม่ควรเราก็เลือกหาเอศึกษา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 ยกตัวอย่างง่ายๆโ<อ>ยมทุกคนอยู่ที่นี่คงได้ดูละครเรื่อง <c oughs> ที่จะพูดอ่าพูดในคนง่วงเงาเหานอนหายเฉยๆมังเหงามางอกมเัเแยกสงสัยเทศดีว่ะอะลรสวัสดีค่ะถูกค่ะอยู่นั่นไง<อ>ดีค่ะ <c oughs> เ, <อ>เคยเคยเคยได้ดูไอ้ละครเรื่องบ้านชายทองไหมเหรอ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 จริงไหมฮานทีนี้ชาสนะพุทธลุ่งเรืองล่มเย็นก็บพ่อกษัตริย์เป็นล่มเงาให้กษัตริย์เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมและแข็งแรงทําให้ศาสนานี้ล่มเย็นไปได้อยิอ่งโบแต่ละที่ละแห่งนี้ในหลวงเป็นผู้อนุมัติทั้งนั้นเพราะฉะนั้นล่มเงาของกษัตริย์แต่ล่มเงาของกษัตริย์จะหนักเพียงใดดีที่เสีเพียงใดก็